ขับรถไปทำงานเช้านั้นขณะจอดรถรอไฟเขียวฉันรู้สึกว่ารถขยบหน่อยๆพอเหลียวหลังไปก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเดาได้ทันทีว่าหมอนั่นคงวิ่งเอื่อยๆมาแล้วเมื่อเบรกไม่ทันเอาล้อเสยกันชนหลังรถฉันเข้าแล้วฉันเรียบลงมาดูว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเห็นว่ากันชนยุบเป็นเล็กน้อยเท่านั้นแทบมองไม่เห็นเลยขี้เกียจเรียกประกัน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 ที่อยากเรียกเงินทองจากใครเพื่อมาแก้กันชนท้ายบุกเล็กๆน้อยๆอุทานในใจว่าเรามีหลังคามุงบังไว้ดีแล้วหนอฝนตกรั่วรถไม่ได้แล้วหนอเมื่อเช่นที่พระเถระและพระเถรีในครั้งพุทธกาลมักอุทานกันเมื่อตรหนักว่าตาหูจมูกปากกายใจของพวกท่านมีสติคุ้มครองแน่นหนาแล้ว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 เหมือนรบกันอยู่ถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าอาภัยจริงๆแล้วแต่พอเคลื่อนรถได้พักหนึ่งก็เอาอีกคิดถึงหน้า ด, นดานของเจ้านั่นอีกต้องกำหนด จ, จิตเป็นอภัยอีกแล้วๆเล่าๆ แ, แ, แต่ไม่ยากเกิดโสมนัสในอกยังฝืนๆฝื น, ฝ น, ฝ น, ฝ น, ฝนตามเดิมเมตตาเปล่งประกายรัศีไม่ออกเสียแล้วสิ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 ก็ดูโดยความเป็นอนิจจังสติไม่ดีก็กำหนดให้อภัยเป็นฐานแล้วแผ่เมตตาซะเท่านั้นในเมื่อยังไม่พ้นทุกข์จะไปแกล้งหลอกตัวเองว่าพ้นแล้วเพื่อประโยชน์อะไรหน้าที่ตามแบบแผนสติปัฏฐานก็คือดูคือสังเกตจนกว่าจิตจะรู้และฉลาดขึ้นในวันหนึ่งว่าอะไรอะไรล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุเป็นธรรมดา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 ว่าปีติจะแผลงฤทธิ์ผลิตความคิดได้พิสดารสักเพียงใด